วันที่คุณออนลนเจอปัญหามากมายร้อยพันตอนที่คุณหลับนั้นให้รู้ยังมีใครเคียงข้างคุณทุกต้องทนอย่าทอ้ออดทนรอให้สู้ต่อไป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 รักเดียวมีใจให้จะบุกน้ำลุยโคลนเข้าไปปกป้องคนไทยทุกคนวีระบูรุษสีเขียวเหนื่อยล้าหมดแรงก็ต้องทนเพื่อคนไทยทุกคนได้หลับสบายในวันที่ฝ้าถล่ม ในคืนที่ดิ้นทลายในวันที่เดือดร้อนใจพวกเขาจะมาวีระบุรุษสีเขียวรับเดียวมีใจให้จะบุกน้ำลอยคลอนเข้าไปปกป้องคนไทยทุกคนวีระบุรุษ สีเขียวเหนื่อยล้าหมดแรงก็ต้องทนเพื่อคนไทยทุกคนได้หลับสบายวีระบุรุษสีเขียวรักเดียวมีใจให้จะบุกน้ำลุยโคลนเข้าไป องคนไทยทุกคนวีราบุรุษทหารกล้าเพื่อปวงประชาก็ต้องทนเพื่อคนไทยทุกคนได้หลับสบายสละชีวิตให้เราได้อยู่สบาย